เจารลวงพาท่านสาธุชนพุทธบรรสัมพุบาสุอุปาสิกาผู้ฝ่ายธรรทุกทุกๆ้านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ย0สิบมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมบัสฐานะวันฝังธรรม วันรักษาศีลวันรับ ก, การกระทำบาด้วยการมาถือศีลต่างๆศีลก็มีตั้งแต่ศีล5้าศีลปศีล227การถือศีลนีเป็นการปิดประตูอบายคือผู้ที่รักษาศีลได้อย่าง จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็คือที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของผีของนรกถ้ารักษาสีหน้าได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนถ้าจะรักษาศีล นี่ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกที่เรารู้จักกันก็คือการสมาทานศีลอย่างที่ญาติโยมได้สมาทานศีลไปสักครู่นี้เรียกว่าเป็นการสมาทานศีคือมาแจ้งจิตจำนงต่อพระสงฆ์ว่าวันนี้จะรักษาศีนหข้อด้วยกัน คือหละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิต 2. ละเว้นจากการลักทรัพย์ 3. ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีสละเว้นจากการพูดปดดมดเท็จโกหกหลอกลวงและ 5. ละเว้นจากการเสพสุรายามังของบุญมาต่างๆนี่คือ การสมาทานศีลคือให้พระบอกให้รู้ว่าศีลที่จะต้องรักษานั้นมีกี่ข้อก่อนที่พระจะให้ศีลพระก็จะให้ให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก่อนเพราะว่าพระสารณะคือพระรัตนตรัยนี้ จะเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่เราควรที่จะน้อมนำเอามาคอยเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตของพวกเราพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมท่านดำเนินชีวิตโดยการไม่ทำบาป ท่านดำเนินชีวิตด้วยการทำบุญท่านดำเนินชีวิตด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปนี่คือ พันต้นของการสมาทานศีลก็คือให้ถึงพระรัตนาตายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราได้กล่าวคำว่าพุทธธรรมธรรมังสังคังสารนังกัจฉามิคือเราจะไม่เอาแบบฉบับของผู้อื่นจะเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าของพระอริยสมสาวกเท่านั้นคนอื่น จะทำอะไรเราจะไม่สนใจคนอื่นจะฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพทติผิดปรเวณีโกหกหอกลวงเสพชุรายาบางเราจะไม่เอาเขามาเป็นตัวอย่างเราจะไม่คบกับเขาเป็นเพื่อนเพราะการครบกับคนแบบนี้เรียกว่าคบกับคนโง่คบกับคนพาลคบกับเขาแล้ว เขาก็จะดึงเราไปในทางของเขาเราต้องคบกับบัณดิตคบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสองสาวกพบกับคนดีคนที่รักษาศี่คนที่ทำทานคนที่ปฏิบัติธรรมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความหมายของการเข้าถึงพระ รัตนาใจเข้าถึงสารณะคือจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนเรายึดแบบฉบับของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่เราจะทำให้ได้ทำให้เหมือนนี่คือการเข้าถึงภระรัตนาใจพอเราเข้าถึงแล้วเราก็ ตั้มจิตตั้มใจว่าจะรักษาศีลห้าข้อโดยให้พระสงฆ์เป็นผู้แจ้งให้ทราบว่าศีลห้าข้อนี้มีอะไรบ้างการขอศีลนี้ไม่ได้มาขอศีลของพระเพราะศีลของพระนี้พระต้องรักษาต้องเก็บเอาไว้ถ้าให้โยนไปพระก็จะไม่มีศีล เหมือนกับโยน ม, มาขอจีวรก็ให้จีวรไปให้จีวรไปก็จะไม่มีจีวร น, นุ่งหง่มก็ต้องล่อนจ้อนเป็นชีเปลยืยพระศีลของพระก็เหมือนกันให้ไม่ได้ศีลของพระพระต้องรักษาพระสอนโยมว่าศีลของโยมมีอะไรศรีลของโยมก็มีห้าข้อถ้าอยากจะปิดประตูอบาย อยากจะอยู่อย่างต่อสัจทุกความหวาดวิตกหวาดกลัวต่างๆก็ให้รักษาศีลทั้ง5้าข้อนี้ไว้ให้ได้แล้วตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอาบายเหมือนกับถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็ต้องไปติดคุกติดตาราง ทำบาปก็เช่นเดียวกันทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้โทษในอบายถ้าไม่อยากจะไปอบายก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ส่วนศีลของพระนี้มีอยู่ข้อหนึ่งที่ญาติโยมควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันเกี่ยวกับญาติโยมคือการประเคนของของต่างๆที่พระจะนําเอามาใช้ เอามาบริโภคเอามารับประทานเอามาดื่มนี่ต้องได้รับประเคนก่อนคือญาติโยมต้องประเคงถวายพระกับมือก่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็ถวายไว้บนผ้าหวางไว้อย่างอนิญาตโยมเวลานำกลับข้าวกับปาอาหารของขา้าวของหวานต่งตางๆมาถวายถ้าโยมยังไม่ได้ถวาย พระจะเอาไปใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ประเคนยังไม่ได้ให้กับมือเพราะว่ายัางไม่ถือว่าอนุญาตให้เป็นของพระยังนั้นเวลาที่โยมจะถวายของโยมต้องถวายกับมือหรือถวายไว้บนผ้าถ้าเป็นผู้ชายก็ถวายกับมือถ้าเป็นผู้หญิงก็วางไว้บนผ้าเมื่อวางไว้เสร็จแล้วก็ต้องปล่อยอย่าจับไว้ ถ้าจับก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่ให้ให้แล้วแต่ยังมือยังจับอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ให้นะถ้าให้แล้วต้องปล่อยปล่อยแล้วก็ห้ามไปจับอย่างญาติโยมบางคนถวายของแล้วก็จะมาจับเพื่อจะมาช่วยเลื่อนของให้กับพระอันนี้ทําไม่ได้พอโยมจับปั๊บก็ถือว่าโยมขอเขินไป กลับกลายเป็นของโยมไปพระก็หยิบไม่ได้จับไม่ได้ต้องให้โยมถวายใหม่อีกดังนั้นเวลาถวายของพระแล้วอย่าไปจับถึงแม้ว่าพระจะเลื่อนลำบากก็ต้องรอให้พระเขาบอกก่อนถ้าพระบอกแล้วพระเขาจับของนั้นไว้อยู่แล้วยมช่วยเลื่อนอย่างนี้ทำได้แต่ถ้าพระไม่ได้จับของแล้วโยงมไปเลื่อนให้เองอย่างนี้ แสดงว่าขาดประเคนของพระจับไม่ได้แล้วถ้าจะจับได้ก็ต้องประเคนใหม่ดังนั้นขอให้เราช่วยช่วยรักษาศีลข้อนี้ให้กับพระเพราะว่าถ้าโยมไปจับแล้วพระเอาไปใช้อันนี้พระก็จะผิดศีลเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นศีลรุนแรงไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระไป ไม่ได้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ดังนั้นเรื่องของศีลของโยนโยนก็ต้องรู้จักเรื่องของศีลของพระบางข้อโยนก็ควรจะรู้เช่นถ้าเป็นผู้หญิงนี้ต้องรู้ว่าไม่ควรอยู่สองต่อสองกับพระในที่ลับหูรับตาเพราะถ้าพระอยู่สองต่อสองกับ สีกากับผู้หญิงนี้ท่านจะปรับโทษแรงเป็นโทษขั้นที่สองโทษขั้นที่หนึ่งี้ถ้าร่วมหลับนอนกับสีกากับผู้หญิงอย่างนี้เป็นเป็นโทษหนักที่สุดคือต้องขาดจากความเป็นพระไปถ้าอยู่กันสองต่อสองเส้นอยู่ในกุฏิรับหูรับตาแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน มีคนมาเห็นก่อนหรือมีคนมาบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ผิดกฎท่านข้อที่ท่านที่สองจะต้องใช้กรรมจะต้องไปอยู่กรรมต้องมีการลงโทษเหมือนกับถูกไปจับขังไว้ในคุกและต้องประจานตัวเองต่อหน้าพระสงฆ์ว่าได้กระทําผิดศีลข้อนี้ ดังนั้นถ้าเป็นสีกาผู้หญิงเวลามาวัดอย่ามาคนเดียวถ้ามาคนเดียวอย่าไปหาพระถ้ามีสองสามคนขึ้นไปก็พอจะอนุโลมได้แต่ก็ยังไม่ถูกเพราะตามพระวินัยนี้ถึงแม้จะมีสีกาอยู่สิบคนจะไปนั่งคุยกับพระก็ไม่ได้ต้องมีผู้ชายหนึ่งคน ผู้ชายก็ต้องเป็นคนที่รู้เลี้ยงสาไม่ใช่เอาเด็กสองขวดไปนั่งเป็นเพื่อนอย่างนี้ต้องเอาผู้ชายที่มีรู้เลี้ยงสารู้ว่ากำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรกันนี่คือเรื่องศีลของพระที่บางทีพระก็เก่งโอกเกงใจญาติโยมมาคนเดียวจะมาถวายทานหรือจะมาขอความปรึกษาธรรมะ ถ้าพูดไปพระก็ผิดถ้าไม่พูดก็เหมือนกับขาดความเมตตาอย่างนั้นบางทีของเหล่านี้ถ้าไม่มีใครบอกญาติโยมก็จะไม่รู้แล้วก็จะทำให้พระนี้ลำบากได้ก็ขอฝากเรื่องของศีลของพระ ข, ข้อนี้ไว้ให้กับญาติโยมไว้ไปพิ จ, พจารณาเวลามาวัด ไม่ควรจะมายามวิการเพราะยามวิกาลคือเวลาค่ำนี้เป็นเวลาที่พระจะปฏิบัติภาร ก, กิจของพระท่า น, นจะลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์หรือถ้าท่านอยู่ที่กุฏิท่านก็อาจจะเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเราไปหาท่านในวัยามวิการก็จะไปรบกวนการทํางานของท่านพระบวชมาก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเพื่อจะได้กำจัดกิเลสตัณหาตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทำให้เกิดโทษเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาดังนั้นถ้าจะมาหาพระควรจะมาหาในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือตอนเช้าที่ศาลานี้ญาติโ ย, ยมมาที่นี่ แล้วก็จะได้พบพระทุกรูปถ้าอยากจะคุยกับท่านก็รอให้ท่านฉันเสร็จก่อนท่านทำกิจเสร็จแล้วก็ไปนั่งตรงไหนที่สะดวกที่เหมาะสมก็นั่งคุยกันดีกว่าที่จะไปหาพระที่กุติยกเว้นมีกรณีที่จำเป็นสุดวิสัยก็ไปได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรจะมีเพื่อนไปด้วย ไม่ควรจะไปตามลำพังนี่คือเรื่องของศีลเรื่องของการสมาทานศีลพระเวลาบวชก็สมาทานศีลเวลาเข้าไปในโบสถ์โกนหัวนุ่งขาวเข้าไปถือบาตจีวรเข้าไปก็ไปกล่าวคำสมาทานศีลต่อพระอุปชาพระกรรมวาจาตอนต้นก็ขอศีลสิบศีลของสมเณรก่อน บวชเป็นเอรแล้วก็บวชเป็นพระต่อไปขอบวชเป็นพระขอรักษาศีลทั้งสองร้ข้อให้ครบบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นการสมาทานศีลเหมือนกันแต่การสมาทานศีลของพระนี่สมาทานเพียงหนเดียวครั้งเดียวตอนบวชแต่ของโยมนี่จะมาสมาทานกันทุกวันพระความจริงผู้ที่สมาทานไปแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมาสมาทานใหม่ก็ได้คือการสมาทานนี้ก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าสินที่เราจะรักษามีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วเราอยากจะรักษาเช่นวันไหนที่เราไม่ได้มาวัดแล้วเราอยากจะรักษาสินเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะรักษาสิน อันนี้ก็ไม่ต้องมาสมาทานก็ได้อย่างนี้เรียกว่าชนิดที่สองคือการรักษาศีลด้วยการวิรัตคือมีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการกระทาบาปทั้งห้าข้อเรียกว่าศีลวิรัตศีลที่ย่าโยมาที่ศาลานี้เรียกว่าศีลสมาทานหลังจากที่สมาทานศีลห้าครบแล้ว พระก็จะบอกอ น, นิสงส์ให้ทราบว่าการรักษาศีลห้าข้อนี้มีประโยชน์อยู่สาประการด้วยกันคือหนึ่งสี่เลนะสุขติยันติคือจะไม่ต้องไปเกิดนอบายจะไปเกิดในสุขติศีลจะเป็นผู้พาให้ผู้รักษาศีลได้ไปเกิดในสุขติสุขติก็คือภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหม ของพระอริยบุคคลต่างๆถ้าต้องการไปสุขติต้องรักษาศีลห้าให้ได้ครบบริบูรณ์แล้วข้อที่สองก็คือสิเลนโภกสัพปทาผู้ที่รักษาศีลจะมีพร้อมมุจะมีทรัพย์โภกทรัพย์พร้อมมูลมีทรัพย์สนบัติข้าวของเงินทอง ทรัพสมบัติที่ได้มาจะไม่หายไปจากการถูกขโมยไปหรือจากการถูกริบไปยึดไปเพราะทรัพย์ที่หามาได้นี้หามาด้วยความสุดจริญถูกสินถูกธรรมถูกกฎหมายถ้าหาทรัพย์มาโดยวิธีทุจริตก็มักจะต้องถูกยึดคืนไปถ้าถูกตำรวจจับได้เขาก็จะยัด เราก็จะยึดทรัพย์ต่างๆที่ขโมยมาไปถ้าเราซื้อมาด้วยเงินทองของเราตำรวจก็จะมายึดทรัพย์ของเราไปไม่ได้ดังนั้นนี่ก็คืออนิสงส์ข้อที่สองจะไม่ถูกทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทางถูกเขายึดไปจะไม่ถูกขโมยขโมยไปถ้าเราไม่ขโมยเราก็จะไม่ถูกขโมยถ้าเราขโมยเราก็จะต้องถูกขโมยเพราะนี่เป็นกฎแห่งกรรม ข้อที่สามอ น, นิสงส์ก็คือสีเลนานิสปุตติยานติศีลจะระงับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เวลาเราทำบาป ก, กับเวลาเราไม่ทำบาสนี้จิตใจของเราจะต่างกันสังเกตดูเวลาเราโกหกกับไม่โกหกใจของเราจะเป็นอย่างไรเวลาไม่โกหกใจเราสบายไม่เดือดรอ้อน เวลารอโกหกนี้เราเรก็มีความวิตกกังวลกลัวเขาจะจับได้กลัวเขาจะจับโกหกได้เช่นเดียวกับการลักทรัพย์เช่นเดียวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเดียวยกับการเสพสุรายามาถ้าเราไม่ทำบาปเหล่านี้เราจะไม่มีความรู้สึกหวาดวิตกกังวลกับผลของการกระทำบาปที่จะต้องเกิดขึ้น นี่ก็คือความสุขที่ได้จากการรักษาศีลจะระงับความทุกข์ความวิตกกังวลความหวาดกลัวไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจได้นี่คือศีลที่เกิดจากการสมาทานศีลที่เกิดจากการวิรัตก็คือวันนี้สมมติเราไม่สะดวกมาวัดไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นมันพระแลวเราอยากจะรักษาศีล เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปนักขาหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสี่ข้อหข้อเจดข้อ8ข้อก็รักษาได้ไม่ต้องมีพระมาบอกเราไม่ต้องมีพระมาให้เราสมาทานอย่างนี้เรียกว่าศีลวิรัติทำด้วยเจตนาด้วยความอยากจะทำก็ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วก็ทําตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้เราก็จะรักษาศีลได้อ น, นิสง์ก็เหมือนกันอ น, นิสง์จากการวิรัตหรือจากการสมาทานนี้ไม่ต่างกันได้ผลเหมือนกันส่วนศีลชนิดที่สามที่เราจะรักษาได้อันนี้เรียกว่าศีลของพระอริยเจ้าศีลของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นวิบากเห็นผลที่เกิดจากการทำบาปอย่างชัดเจนเห็นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะจะเห็นที่ใจเวลาทำบาปนี้ใจจะร้อนขึ้นมาใจร้อนนี่แหละคือใจที่จะเป็นอบายต่อไปใจร้อนนี้จะเป็นเดรฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกขึ้นมา ขึ้นอยู่กับการทําผิดศีลหนักหรือเบาทําด้วยเจตนาลงอย่างไรเช่นถ้าทําด้วยการไม่รู้ใจก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าทําโดยโดยที่มีความโลภอยากจะได้มากๆก็จะไปเป็นเปรตถ้าทําด้วยความกลัวก็จะไปเป็นผีถ้าทําด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรก พระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาว่าเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีแล้วจะรู้เลยว่าตนเองจะไปเป็นอะไรไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีเลิกไปไหนลง ท่านรู้ท่านจึงไม่กระทำบาลดึกอย่างเด็ดขาดเพราะท่านเห็นว่าการทำบาปนี้ได้ได้ไม่คุ้มเสียเช่นเราอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารจะรับประทานก็ไปขโมยเงินทองหรือขโมยอาหารเพื่อมารับประทานอย่างนี้ก็จะทำให้เราตายไปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ชูยอมอดตายดีกว่ายอมอดมือ้อกินมือดีกว่าแล้วรักษาใจของเราให้เป็นมนุษย์เอาไว้นี่คือเคสคือศีลของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องทำทานอยู่อย่างต่อเนื่องต้องรักษาศีลอยู่เรื่อย แล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาถ้าทําใจให้สงบได้เจอจะเห็นใจเห็นตัวที่จะไปเป็นนรกหรือไปเป็นสวรรค์เห็นตัวที่จะไปเป็นเทพหรือไปเป็นเป็นเปรตพอเห็นแล้วก็จะได้ยับยั้งเวลาที่จะทําตัวให้เป็นเปรตทําตัวให้เป็นเดรัจฉาน ก็คือเวลาที่จะทำบาปนั่นเองพอรู้ว่าจะทำบาป ก, ก็หยุดได้เพราะมีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูการกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองผู้ที่ยังไม่สัไม่สามารถภาวนาทำใจให้สงบได้จะไม่สามารถมองเห็นใจเวลาใจคิดจะทำบาปนี้ไม่รู้ตัวทำไปแล้วถึงจะมารู้ทีหลัง นี่คือของนี่คือสภาพของจิตที่ยังไม่ได้ภาวนาถ้าภาวนาแล้วต่อไปจะเห็นการกระทำเห็นความคิดของใจว่ากำลังคิดไปในทางไหนคิดไปในทางโลภคิดไปในทางโกรธคิดไปในทางทำบาปหรือทำบุญจะเห็นทันทีถ้าคิดไปในทางทำบาปก็จะหยุดได้ทันที ถ้าเห็นไปในทางทำบุญก็จะทำทันทีเพราะเห็นว่าการทำบุญแล้วทำให้จิตใจสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทพจากเทพก็ได้เป็นพรหมจากพรหมก็จะได้เป็นพระ อ, อริยเจ้าขั้นต่างๆดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ สิ่งที่เราควรจะมีถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ได้ก็คือต้องมีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าความกลัวอายอะไรกลัวอะไรก็อายในการกระทำบาปกลัวในผลของบาป ท, ที่จะตามมาคือเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทำบาปแล้วจะทำให้เราเป็นคนน่าเกลียด ไม่ใช่เป็นคนน่ารักทำบาปแล้วเราจะต้องไปใช้กรรมนาบาปไปเกิดเป็นเปรไปตกนรกถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็ต้องเชื่อคนที่มีดวงตาเห็นธรรมก่อนก็คือพระพุทธเจ้าขอให้เรามีความละอายทุกครั้งที่เราทำบาปเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ไม่ทำบาปอีก เพราะคนที่ทำบาปนี้ก็เป็นเหมือนคนที่ไม่สวยงามทางร่างกายนั่นเองร่างกายเราสวยงามด้วยอะไรก็ด้วยเครื่องสำอางด้วยเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอาภรณ์คเราเวลาจะออกจากบ้านนี้เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนฉันใดถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสวยงามเราก็ต้องมีศีล ศีลนี้เป็นเสื้ออาภรณ์เป็นความสวยงามของใจคนที่มีความสวยงามทางใจมีศีลนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์จะไม่สวยงามแต่จะไม่มีคนรังเกียจจะมีคนรักมีคนชื่นชมยินดีตรงกันข้ามคนที่มีเสื้อผ้าสวยงามมีเครื่องสาํามาลไวแต่หน้าทาปาก ทำเผ้ า, าทำผมแต่ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีใครที่จะชื่นชมยินดีจะมีแต่คนรังเกียจเพราะความสวยงามที่แท้จริงนี้ต้องสวยที่ใจไม่ใช่สวยที่กายแต่การสวยที่กายด้วยก็จะดีทำให้สวยทั้งสองสว่วนสวยทั้งทางร่างกายสวยทั้งทางจิตใจแต่อยากจะสวยทางจิตใจ ก็ต้องมีฮริโอตปะถ้ามีฮริโอตปะก็จะรักษาศีลได้ถ้าไม่มีฮริโอตปะก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้จะมีฮริโอตปะได้ก็ต้องมีศรัทธาในพระลักษณะตัวมีความเชื่อในคําสอนของพอธธระพุทธเจ้ามีความเชื่อในคําสอนของพระ อ, อริยสงสาร ว่าทำบาปแล้วจะทำให้เราเป็นคนอับประลักทำบาปแล้วจะทำให้เราต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปนี่คือเรื่องของการรักษาศีลกับในวันพระนี้มีวิธีรักษาได้สมวิธีด้วยกันคือ 1. สมาทานศีลสองวิรัติศีลสอริยศีลคือศีลของทู ที่มีดวงตาเห็นธรรมที่ในที่สุดพวกเราจะก้าวไปสู่ศีลขั้นที่สามนี้ขั้นต้นเราก็รักษาศีลด้วยการสมาทานด้วยการวิรัตไปก่อนพอเรารักษาได้แล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้ทำให้ทาใจให้สงบได้ทำให้เกิดปัญญาเห็นใจที่ร้อน ที่เกิดจากการทำบาปได้แล้วก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราดำเพนชีวิตของเราไปในทางที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขและความเจริญห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่าง ห่างไกลจากการเวียนไหวตายเกิดถ้าเราปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันเพราะเหตุที่จะทําให้ผลนี้เกิดนี้เป็นเหตุอันเดียวกันก็คือการทําทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้เอง ก็ขอฝากเรื่องของการมาวัดมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพิติเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุมพระศีรักนณะไร